คำนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำนี้ตามความรู้สึกของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปแล้วมีความหมายอยู่สองอย่างคือหมายถึงพระรัตนตรัยกับโอปะปปาติกะที่เป็นเท พ, พเจ้าซึ่งเราจะสังเกตได้จากสำนวนที่พูดกันว่าขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกจงบันดาล จากํำนวนนี้ตามความรู้สึกของผู้ที่กลา่าวย่อมหมายความว่าพระรัตนตรัยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือเทพเจ้าผู้มีญาณอันวิเศษและมีฤทธิ์มีอำนาจมากซึ่งเข้าใจกันว่าสามารถจะดลบันดาลให้เกิดผลตามที่เราอธิษฐานได้แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าคนส่วนมากจะได้ยินได้ฟังกันจนชินหู และพูดกันจนติดปากก็ตามแต่ก็น้อยคนมากที่จะเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงส่วนมากเราก็อ้อนวอนและอธิษฐานกันไปตามประเพณีและผลที่ปรากฏก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเพราะฉะนั้นตามความรู้สึกอันแท้จริงของคนทั่วๆวไปจึงไม่ค่อยจะเชื่อในสิ่งเหล่านี้เท่าไรนักแต่เนื่องจากในขณะนั้นเราไม่ทราบว่า อ้อนวอนหรืออธิษฐานเพื่อขอความคุ้มครองหรือเพื่อผลที่ต้องการจากใครหรือจากสิ่งใดได้ดีไปกว่านี้เราจึงได้อ้างถึงพระรัตนตรัยและเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาแต่โบราณถึงแม้จะไม่เห็นผลแต่ก็เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจทำให้หายความหวาดกลัวได้บ้างหรือทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้บ้างซึ่งในกรณีอย่างนี้ การอ้อนวอนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมจะมีผลอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะที่มีอยู่ทุกชาติทุกภาษาและทุกยุคสมัยที่คนเราจะต้องอ้างถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองหรือโดนบรันรดาลอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับคนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ก็อ้างถึงพระรัตนตรัยและเท พ, พเจ้าตามความเชื่อถือในทางพระพุทธศาสนาส่วนคนที่นับถือศาสนาอื่นก็อ้างถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อถือของศาสนานั้นๆน้อยคนนักที่จะไม่อ้างถึงอำนาจลี้ลับเพื่อให้ช่วยตัวเองทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เราทุกคนย่อมรู้ดีว่าความสามารถของตัวเองมีขอบเขตจากัด แต่เมื่อเราพิจารณาดูถึงปรากฏการณ์ต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นฝนตกแดดออกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบลมพายุแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมการเกิดการตายการเจ็บป่วยภัยพิบัติต่างๆอะไรต่างๆทํานองนี้ทำให้มนุษย์เราอดนึกถึงไม่ได้ว่าเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้จะต้องมีผู้วิเศษซึ่งมีฤทธิ์มีอานาจมาก ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือกันว่าเป็นอำนาจเร้นลับจึงมีมาทุกยุคทุกสมัยจะแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความหมายแตกต่างกันสุดแล้วแต่ใครจะมีพื้นการศึกษามาแค่ไหนและอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรแม้ในกลุ่มของพวกที่นับถือลัทธิวัตุนิยมซึ่งโดยปกติ ไม่เชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเมื่อถึงค่าวอับจนจริงๆก็อดที่จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยคุ้มครองไม่ได้ความจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีฤทธิ์มีอำนาจมากสามารถที่จะบันดาลให้คนเราเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เร้นลับมองดิตาไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั้นมีอยู่จริงๆ ข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาในืเรื่องนี้มาเป็นเวลานานพอที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คืออะไรแน่ซึ่งเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มีอำนาจจริงด้วยและสิ่งนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งเร้นลับแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาให้เข้าใจด้วยเหตุผลได้คือสามารถที่จะเรียนรู้และทดสอบพิสูจน์ด้วยตนเองได้และเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งทีเดียวว่า ความวุ่นวายหรือความเดือดร้อนต่างๆเท่าที่มีอยู่ทั่วโลกในเวลานี้จะไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะกวาดล้างให้หมดไปได้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้านํามาอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คืออะไร ขอให้ท่านพยายามอ่านข้อความในหนังสือเล่มนี้ให้ละเอียดโปรดอ่านและหลายครั้งพิจารณาให้ถีท่วนมิฉนั้นท่านจะมองไม่เห็นเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและช่วยเหลือเราได้จริงๆเมืองไทยเราทั้งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยคุ้มครองอยู่เสมอแต่บ้านเมืองของเราก็ยังไม่เจริญเท่าที่ควร ทั้งนี้ก็เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของตนเองและไม่เข้าใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสนใจพระพุทธศาสนาแต่ในรูปของประเพณีเสียเป็นส่วนมากส่วนการที่จะนำพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆในชีวิตประจำวันเรายังไม่ค่อยได้ทำกันและการศึกษาค้นคว้าเพื่อจะให้รู้กันจริงๆก็มีน้อยด้วยเหตุนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโดยความหมายที่แท้จริงแล้วสามารถที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองรวมทั้งตัวเราเองให้มีความสุขสมบูรณ์ได้จริงๆแต่แล้วก็ยังช่วยได้ไม่เท่าไหร่เกินเนื่องด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้และข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดนี้คงจะช่วยปลุกคนไทยให้ตื่นขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยพรรัตนสุวรรณ12สิงหาคม พุตธศักราช 2,512